ของเกี่ยวกอยเดิมแต่ปีนี้มันดนูขันขันไม่มีคู่ดินเชิญชมเที่ยวงานปีนี้นี่แกโดนฟรีเขามีคนลนและภาพพยนต์ มีคนชมอย่างสัมราน กอดชมงานนี้มองเห็นเกร้รองจีบกันอยู่จูจีฉันต้องหลับตาปีคิดถึงคืนนี้เมื่อมีกลาเคยเท้าค้าวกันชิงช้าสวรรค์ก็มีโคคำคืน 托人去应答。 วันก็มีโคคำคืนนี้